พอบริหารกันเที่ยวสั ม, มะเลเทเมากินเหล้าเมายาสุรานารีภาษีกิฬาบัตรอันไหนที่สนุกสนานเพิดเพลเนหาไม่ได้ทำมาค้าขายเพราะในสุดทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเจงโดยปริยายพอเจงเสร็จแล้วก็เขาก็มาขอเงินขอเงินเอาไปใช้จ่ายอาาถามิติก็ให้ไปครั้งหนึ่ง ขอไม่นานมาขออีกอนณาถาไม่ไดีก็ให้อีกอปอมาเอาทำไมมันเป็นอย่างนี้วะว่าจะสืบสอบได้เนี่ยสมบัติเขาหมดแล้วผลที่สุดก็เอาเงินให้เอาเสื้อผ้าให้พอเสื้อผ้าให้ก็อีกไม่นานมาขออีกมันไม่รู้จักจบจักสิน้นผลที่สุดอาณาถาไม่ไดีกะเสิทธีอะไไม่ได้ไอ้นี่ถ้าขืนต่อไปมันจะ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 จากนั้นเราก็ทำโรงทานไว้หกแห่งเราทำบุญไว้หกแห่งทำบุญทาทานตั้งโรงทานไว้หกแห่งประตูสี่มุมเมืองแล้วก็กางเมืองอีกแล้วก็หน้าบ้านของตนเองอีกตั้งโรงทาน เ, เราทำบุญทาทานตลอดเพรา ะ, ะนั้นอาณาสง์แห่งการทำทานของเรา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 ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ผิดลาภละลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้พราะคนดื่มสุรามันขาดสติจากนั้นก็พอเมาสุราได้ที่แล้วกคือยกหม้อขึ้นบนอากาศโยนหม้อแล้วก็รับโยนหม้อแล้วก็รับพอโยนทะเลมันรับไม่ได้เที่คนเมามันตาลายอยู่แล้วนี่มันพลัดตกลงมาใส่พื้นดินหม้อไปนั้นก็แตกพวกะ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 เพราะมันเร็วจิตใจมันเป็นเออ่มันเป็นความชั่วเสียหายอยู่ในใจของมันลึกๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเรามีไหมอสั้นดอนสั้นดานสิ่งที่มันเร็วๆในจิตในใจของเราเนยเราควรจะถอนถอด ถ, ถ, ถอนมันทิ้งอสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้สิ่งที่ดีเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ เ, เรามั่นใจไหม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 ให้พวกเราหามุมสงบในขณะที่มุมสงบในช่วงที่ทำการงานก่อนทำการช่วยช่วยการช่วยการงานไปเหมือนกับยางสติ๊กอย่างที่ผมพูดถึงขาวยืดใช้ก็ยืดใช้ไปแต่เมื่อขาวหยุดยืดใช้แล้วเอาเข้าที่เขา ท, ข า, ทางเขาภาวนาไปเอ า, เอาจิงเอาจังมันได้จริงได้จรงคนที่จริงจังต่อไปภายภาคหน้าหมู่พวกเพื่อนองคไหนก็ตามที่ผมเห็นเห็นมาน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 อานนี้มันถึงใจจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพ่องประโยชน์ท่านก็จะให้ขาดตกบกพ้องให้ทําสํารวมกายสรุปเรื่องก็คิดดีทำดีพูดดีจุดนี้แหละคิดดีทำดีพูดดีท่านเราใช้วรลีนี้แลหวแนวความคิดนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่เราได้คิดไว้อย่างนี้